บุ๊ก <Book> 2 48อุทธร์กิจกรรมระหว่างการพักร้อนเฟียร er. ์แอคทิวิตีเตอร์หาดทรายสะอาดไหมเอสเทรนน์น์เรนเล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Can man เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรืออที่่เนอันตรายไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไ่ใช่หอไม่ช่หรไ่หม่รือ่่อไช่ไหมใร่ใช่ไม่ไหอมช่รือไม่ใชอใช่ห่่รือไม่่ไหไมหรม่รืออช่รือ่่ไไหมร Can man here? ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่นฉันคอ่น่าดาีที่จะเล่นกีน้ำฉันคู่น่าดีที่จเล่นสกีน้ำฉันคู่น่ากีที่จะเล่นสกีน้ำฉัน่าดีทะดานโตีน้ำฉั่น่าด้ไหมครับ่น Man ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ man ขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับ man ผมเพิ่งเริ่มหัดผมอเล่ไดผมเพิ่งเริ่มหัดผมพอเล่นได้ ผมเล่นได้ดีมากฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงสกีลิฟต์อยู่ที่ไหนว่าเออสกีลิฟตนคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า Har คุณมีร้สกีมดคุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหมคุณมีร้สกีมา่องเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม